วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยเจ็ณวัดป่าบ้านตัด จ, จังหวัดอุดรธานีความมืดก็อยู่ที่นี่ความสว่างก็อยู่ในที่ความหลงก็อยู่ในตัวของหีง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 แย่งกันนั่งก็ได้นั่งคุณลสัสซีเท่นเดียวกับงงความโง่ความฉลาดแทรกกันอยู่ภายในใจของเราดวงเดียวอาจจะว่าโงูจริงๆก็รู้อยู่ว่าหลงจริงๆก็มีรู้อยู่ถ้าจะรู้จริงๆก็ยังมีหลงอยู่ก็เรียกว่าเกาอี้ตัวเดียวความโง่ความฉลาด นั่งดู่คนละซีดผายในใจดวงนี้ซึ่งเทียบกันกับเขาอีกหากใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นในนั่งมากเพระฉะนั้นอุบายยิธีอบรมในทางสุงงามความดีทุกประเภทก็เพื่อจะกำจัดป่ดเตาสิ่งที่มอมอ จากเข้าอีกตัวเดียวคือดวงใจของเราท่านพูดเรื่องคนงโง่ก็ได้ยิน<ม>ก็เข้าใจท่านพูดเรื่องคนฉลาดเราก็เข้าใจท่านพูดเรื่องปุถุชนคนหนาเราก็รู้ก็เข้าใจท่านพูดถึงเรื่องพระยาเจ้านับตั้งแต่ขั้นต้น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 จึงเป็นไปพพกธรรมเช่นนั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกอรหันทั้งหลายทิ่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าก็ดีก็เป็นคนีิเรศเช่นเดียวกันกับพวกเราแต่ก็อาศัยข้อปฏิบัติการมำเพ็ญ สำ ล, สลัสารอบรมอยู่เสมอจิตก็ค่อยเป็นไปโดยลําดับจนบรรลุธรรมห่งขั้นพระเดียจะพระอริยะเป็นขั้นทันเป็นถึงขั้นอริยะอันสูงสุดคือปาระห์ คำว่าพระยะเจ้านั้นก็แปลว่าผูกกระเสริฐรมของท่านก็เป็นธรรมที่ประเสริฐคำว่าพระยยะใต้เจ้านั้นมีอยู่สี่ชั้นสี่ชั้นพระโสดา น, นท่านพระเศรษฐาคารชั้นของภานาคารท่านพระระหัสผููสําเร็จพระโสดา ตามปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยชน์ได้สาคือส ก, กายทิฏฐิวิจิกิขาลิลภัตภตตปรมาสสกายทิฏฐิตามที่ท่านกล่าวไว้มีส ก, กายทิฏฐิยี่สิท้าโสดาบันทันละได้มาอย่างนั้น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 ว่าอย่างนั้นแต่ทางด้านปฏิบัติส่วนจะถูกรือผิดนั้นก็ขอยอมสรภาพตัวว่าเป็นธรรมปะป่าโปรดได้ได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑอะไรนะักถ้าว่าถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เยอะอย่างจริงจังแล้วถ้าเข้าใจว่าถูกก็จะเป็นการตำหนิทางหนึ่ง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 ถ้าโซดาที่ละต ก, กายพิธีนี้ขาดกินอย่างนั้นแล้วถ้าโซดาก็ไม่ควรจะมีครอบครัวด้วยเดือน<ม>ก็เห็นุดัเพราะครอบครัวเจ้าเดือนก็คือเรื่องของกายเหล่านี้ของเวทนาของพยาสังขลาอยอย่างนี้นะ<ม>ก็ควรจะผ่านจากนี้ไปเสีย<ม>เป็นอนาภา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 และมีรสอเด็ตอร่อยแต่น้ำนั้นถูกจอกแหนปกคลุมอยู่ไม่สามารถที่จะมองเห็นน้ำโดยขัดเปลียนได้บุรุษคนนั้นก็แหวกนะแวกจอกแหนขึ้นแล้วก็เห็นน้ำภายในบึงนั้นใสสะอาดล้วตักขึ้นมาดื่มทดลองดูก็รู้สึกว่าน้ำนั้นมีรสอเด็ดอร่อย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 บึงนั่นไปแล้วและน้ำในบึงนั้นจะถูกจอกแหนะปกคุมไว้อย่างนิ่ก็ตามความเชื่อของเขาที่ฝังอยู่ในใจนั้นว่าน้ำในบึงนี้มีอยู่หนึ่งน้ำในบึงนี้ใสสะอาดหนึ่งน้ำในบึงนี้มีรสอเด็จอร่อยหนึ่งนี้จะไม่มีวันถอนตลอดกาล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 เวลาถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งหน้าบําเพ็ญอีกเช่นเดิมแล้วก็ลงไปะูกกิจจุดนั้นอยู่เสมอแต่ยังไม่สามารถที่จะทำจิตใจของฝนให้ขาดจากกันโดยสิ้นเชิงได้เพียงเป็นทนถ้าขนาดนี้เห็นจะพอดีถ้าโสดาจะมีลูกมีเมียก็ยังได้ เพราะอย่างเข้าถึงความจริงในขณะนั้นแล้วเกิดความเชื่อมั่นเรียกว่าอาจาราตถาแต่เมื่อจิตถอนขึ้นมาก็ระหว่างกิจกับขันก็มีการเกี่ยวพันกันเป็นธรรมดามีเรียกว่าสักการิทิในธรรมป่าที่ได้ปฏิบัติมาวิติจิตฉา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 ทั้งด้านแห่งกรรมและด้านผลของกรรมทั้งความเป็นมาของตนและจะเป็นไปทั้งนั้นไม่สามารถจะตัดสินลงได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าวิจิยิชฌาเมื่อสงสัยในเหตุและผลแนวข้อที่ว่าสงสัยในมรรผลนิพันธ์เป็นอันมาสงสัยไปหมดนี่เป็นขนาดที่หนักขนาดที่เบาวกว่านั่นก็ผ่อนกันลงมาเป็นธรรมนาของ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 ในขณะที่กิทัองตนได้อย่างลงถูกความสนิทอย่างเต็มที่นั้นมีเรียกว่าสังดุจข้อนิจิขาศิลปตตาปรามาภถ้าพระโสดานนั้นเป็นคารวาตก็จะไม่ต้องรับแล้วรับเล่าในศีลของตนแต่นี่ท่านกล่าวไว้ในปริยัติว่าลูกคำศีลโพ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 เพื่อแก้ไขความด่างพร้อยหรือความขาดความทะลุแห่ ง, งสินของตนนั้นจะไม่มีในจิตของพระโสดาเลยเพราะพระโสดาเชื่อมั่นต่อหลักกรรมและไม่สามารถที่จะ ท, ทําชีวิตของตวให้ล่มจมไปด้วยเจตนาอันร้ายของตนมีเรียกว่ า, า, าศีรพัสตักปรมาสพระโสดาละได้คือส ก, กายทิฏฐิหนึ่ง วิจิจิชา1หนึงาาน่งิรพัตตะปรมาทูตส่วนฆรสกิทาคานั้นท่านว่าทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่ละขาดส่วนใดเพราะสกาธพิถีนี้วิจิชาวชิรพัตสะปรามานีตเพียงขัน้นพระโสดาท่านก็ักไ้แล้วแล้วเลื่อนขึ้นไปพระสกิทาคา ทำราคาโพษะโมหะให้เบาบางลงอันนี้ทางด้านปฏิบัติไม่มีข้อแยง้งส่วนค้านาคาละสังโยชน์ได้ห้าคือสามกับที่เป็นพระโสดาลได้แล้วละเพิ่มได้อีกว่ากามรมาหลักความยินดีในประเพณีของโลก และปฏิฆะใช่ไหมนักดไปทั้งหมดค่าปฏิฆาใช่ฮะรูปราคาการมาคารูปราคานะฮะรูปราคาจนคำว่าการมาคานั้นอยู่ในหลัก ของรูปกายของเราผู้ที่จะก้าวขึ้นตูภูมิแห่งพระนาคายอมเป็นผู้สามารถพิจารณาส่วนแ ห, แห่งร่างกายทุกส่วนเห็นโดยความเป็นปฏิกรูดเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์้วดประจักษ์ใจจนปรากฏขึ้น จากนิมิต ท, ที่ตนปรากฏว่ารูปกายของเหล่านี้จะเป็นชิ้นหนก็ตามหรือรวมทั้งหมดในส่วนแห่งกายนี้ก็ตามมาาเป็นของปฏิคูลเป็นต้นความปฏิคูลแห่งร่างกายที่ปรากฏอยู่เป็นนิมิตอยู่หรือเป็นรูปภาพอยู่ทายนอกจากใจไปนั้นเมื่อพิจารณาเข้าจริงๆแล้วภาพที่ปรากฏ ว่าเป็นอตุภั tn ั้นจะย้อนเข้ามาสู่จิตดวงนี้ทั้งหมดว่าความเป็นอตุภั้งนี้เป็นเรื่องภาพของจิตที่ไปวาดขึ้นและความเป็นสุภาก็ดีเป็นภาคของจิตที่ไปวาดขึ้นแล้วเกิดความกำหนับยินดีความเป็นอตุภจัจิตที่วาดภาคขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เกิด ความอิจนาลอายใจหรือความเปบืด่ดเบื่อต่างๆในเงื่อนทั้งสองนี้จะรวมเข้าไปสู่จิตดวงเดียวอาัาถรรพ์ที่เคยปรากฏอยู่ภายนอกนั้นจะเข้าปรากฏอยู่ภายในจิตจิตก็ปล่อยวางจากอาัาถรรพ์ภายนอกคือส่วนแห่งร่างกายนี้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 คือไม่มีภาพแห่งกายนี้เหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยแม้กายนี้จะทรงตัวอยู่ว่าเป็นกายแต่จิตนั้นภายในจิตนั้นจะมีอะไรไม่มีอะไรเกี่ยวขอ้องเป็นสุญญากาศว่างเล่าอยู่ทานั้นนี่ขณะที่จิตถอนจากเรื่องความยึดมั่นถือกายนั่นได้ผ่านไปแล้ว ก็จะกลายมาเป็นอากาศาธาตุว่างทนี้คําว่าดูปราคะนั้นเมื่ออาตุภระอันนี้ได้ปรากฏเข้ามาสู่วงแห่งจิตตรากจากภายนอกเข้ามาสู่วงแห่งจิตแล้วจิตก็มีความยินดีพินิจพิจารณาหรือปรึกซ้อมกันอยู่นี่เสมออันนี้จะเรียกว่าความยินดีในรูป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 เป็นอสุภะทางซ้ายมือนี้เป็นสุภะจิตที่จะผ่านจากตามราคะาไปได้ต้องผ่านไปในศูนย์กลางของอสุภะกับสุภะไม่ได้ยึดเงินทั้งสองนี้มาเป็นอารมณ์แม้แต่ชิ้นเดียวผ่านไปในศูนย์กลางนั้นพร้อมกับมารู้เท่าว่า สิ่งที่เป็นสุภะก็ดีอสุภะก็ดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากใจนี้เท่นั้นเมื่อมาทราบชัดอย่างนี้ก็ถอนไปได้ในขณะนั้นในอันดับที่สามที่สี่ธันวัฒพระรหัสพระรหันต์ละสังโยชน์ได้อีก5้าเดียรวมทั้งหมดเป็นสิบ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 นอกจากจหมายในเรื่องนิมิต ท, ที่ท่านพิจารณาอยู่ภายในโดยเฉพาะเช่นลูก ป, ประชานของท่านตอนนั้นอรูปราคะหมายถึงยินดีในเวทนาคือสุขเวทนามานะแยกออกแล้วเป็นมานะเก้าคือ สำคัญว่าคือตนเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาหรือย่อนกว่าเขานึ่ตนต่ํากว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาน่งตนสูงกว่าเขาสำคัญว่าตนต่ํากว่าเขาหรือเสมอเขานึ่เรียกว่ามานะเก้าแต่ในวงปฏิบัติเมื่อพิจานาเข้าจริงๆแล้วมานะทั้งเก้าที่จะ แยบตัวออกไปนี้เนื่องจากความถือมั่นของใจเท่านั้นในขณะนั้นหรือเวลานั้นส่วนแห่งร่างกายก็หมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือเป็นภาพภายในจิตใจเลยนอกจากจะเป็นส่วนนามธรรมาคือเรื่องจิตใจที่มีความผ่องใสเรื่องอกอุกอาจกล้าหาญอย่างเต็มที่ภายในตัวเองเท่านั้นแล้วก็เป็นเหตุให้มีความรักไข้หรือสงวนอยู่ภายในความรู้อ น, นัน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 การอุดภะจะหมายถึงการความฟุ้งได้จะมีความเพลิดเพลินในการค้นการคิดการพิพจรารณาของตนเองไม่รู้จักประมาณในการที่จะพักผ่อนจิตใจให้เข้าก้าวเข้าสู่ความสงบเพราะเรื่องของปัญญาคันนี้คิดไปเท่าไหรก่ก็ยิ่งเห็นการถอดถอนที่เหล็อ อาสวะเป็นลำหนับลำหนับจนเกิดเป็นความเพลิดความเพลินในงานชนิดนี้แล้วลืมตัวที่จะต้องพักจากพักหลับพักนอนก็ดีพักจิตให้เข้าสู่ความสงบเพื่อเป็นกาลังในการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ดีจิตจะเห็นว่าการพักทั้งหลายเหล่านี้เป็นการหิดชะงักไม่ใช่เป็นการทํางาน ยิงเป็นเหตุให้จิตมีความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในการพิจารณาจนเลยเถิดมีทันเียกกจะอุทสัจเป็นผู้ติดใจในความค้นความคิดของตัวเองจนเกินไปคำว่าวิชาก็คือความหลงเรื่องของตัวเองคือจิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นเมื่อได้ไม่รู้เรื่องของตัว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 คนตัวอยู่ไม่ได้สลาลีลงในขณะเดียวคําว่ามานะคือความถือนั้นก็ไม่ทราบจะถืออะไรพราะหลักที่จะยึดถือก็มีเพียงอวิชชาที่ทรงไว้ซึ่งความแปลกประหลาดสามารถที่ทําผิดให้ลุ่มหลงได้ได้แก่ความผ่องใสหรือองค์อาจก้าหารอย่างเต็มที่ภายในใจดวงนั้นแต่ยังไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัว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 ว่าเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวธรรมทั้งหลายคืออันนี้จังทุกขังอนาตานั่นเองแต่เป็นส่วนที่ละเอียดพอได้ทราบชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วอวิชชานั้นจ็เงีับลงไปอวิชชาคือแต่ความผ่องใสเต็มที่นั่นเองที่เป็นเป้าหมายให้เราได้ลุ่มหลงหรือเพลิดเพลินหรือ ป, ปักปันเจียรติยอาว่าความผ่องใสอันนี้เป็นเราเป็นของเรา ได้ฉลายตัวในไปในขณะที่เรามารู้เรื่องคือมาสนใจพิจานาจิตนี้จึงได้ฉลายตัวลงไปเมื่อธรรมชาตินี้ได้ฉลายตัวลงไปคํามัมมานะคือความถือธรรมชาตินี้ก็สิ้นจุดลงอุทัศจากอรู้ประมาณเองทีงนี้เมื่อย้อนคบคืนไปกับไปพิจารณาข้างหลังเราก็ทราบได้ทัดมากเราเดินมาถึงสถานที่นั้นคโคดโค้งรู้ผิดเพี้ยนไปบ้าง มากหรือน้อยเข้าใจทำอามานะก็ทราบทั้นมากแต่ก่อนหมายความว่าอะไรมานะในขั้นนี้หมายถึงความถือส่วนดีนั่นเองส่วนทั่วได้ละมาเป็นลำดับแต่ตอนี้เธอตัวในเรื่องความดีนั่นไปเสียก็เลยถือมั่นในความดีที่ว่าผ่องใสนั้นจึงแกะไม่ออกต่อเมื่อได้สนใจที่จะนาน เรื่องดีที่ว่าผงใสนั้นชัดเจนแ้วธรรมชาตินั้นจึงจะสลายตัวลงไปกลายเป็นผุ่มหมดมานะขึ้นมาเพราะอวิชชาดับอุทธะาจาักความฟุ้งเกินตัวก็วรู้จักประมาทเมื่อธรรมชาติที่ว่าอวิชชาได้ดับไปแล้วแล้วนั้น จากนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจมาเชื่อที่เราได้พิจารณา ม, มาหรือสิ่งที่แสดงตัวอยู่ว่าเป็นเหตุที่ให้เกิดต่อไปอีกหรือจะตายต่อไปอีกหรือจะไปตกค้างอยู่ที่แดนใดก็ต้องทราบทัดในขณะที่อวิชชาดัลงไปนั้นเป็นผู้หมดความกังวลทั้งอดีตที่เคยเป็นมาของตน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 เพื่อทําเหล่านี้ก็ในเคยอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบแล้วคือหลักภาวนาที่จะเป็นทางลัดทางกลง่วนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นส่วนประกอบเป็นเครื่องหนุนกันไปไม่ใช่เป็นความเสียหายคือว่าความดีแล้วไม่มีชิ้งใดเสียหายต้องเป็นความดีหนุนกันไปทั้งนั้น เนเดียวกันกับพริกนี้จะเป็นเม็ดเล็กๆหรือเม็ดไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ตามเม็ดเต็มบ้างเม็ดรีบบ้างเมื่อผสมกันตำลงในโคกแล้วตักออกมากดออกมาใส่ท้วเราจะจิ้มลงไปด้านไหนก็เผ็ดด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้ว่าด้านนี้เป็นด้านของ ทิกที่ไม่เต็มเม็ดด้านนี้เป็นทิศเต็มมีเผ็ดมากไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลายเป็นเผ็ดไปด้วยกันเจ็บนั้นมีชื่อว่าความดีแล้วไม่มากความดีจะเกิดขึ้นจากการทำประเภทดักรวมกันเข้าแล้วจะกลายเป็นความดีก้อนใหญ่เช่นนี้เหมือนกันฉะนั้นวิธีที่จะอธิบายตามแถวธรรมะ